บทที่66รู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเป็นวันที่อาจารย์ชิดมาอยู่วัดป่ามะม่วงครบเดือนพอดีเขาตื่นนอนตอนตีสีเช่นเคยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เริ่มเดินจงกรมอยู่ภายในกุฏิเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงกำหนดนั่ง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 อีก15นาทีครบชั่วโมงภิกษุสูงวัยรู้สึกปวดที่แผลเป็นกำลังปวดราวกับว่าจะไม่สามารถทานทนได้น้ำเหลืองไหลออกมามากผิดปกติจนเสื้อที่สวมอยู่เปียกชื้นและยังไหลเลยไปเปียกกางเกงอีกด้วยช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้นเขารวบรวมสติตั้งจิตอธิษฐานสาธุด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณ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 ขอให้ข้าพเจ้าจงหมดเวรหมดกรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธินสิ้นคําอธิษฐานภาพพยนต์แห่งอดีตที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงก็ฉายชัดขึ้นในมโนภาพเป็นชายอายุ30กําลังขมักขเม้นเรียนวิชาที่อาจารย์กําลังสอนคนคนนั้นคือตัวเขาเองเมื่อ30ปีที่แล้วเขาได้ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทที่ประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาวิชาการเกษตรในหลักสูตรมีวิชาวิธีการฆ่ารวมอยู่ด้วยและในการเรียนนักศึกษาจะต้องลงมือฆ่าสัตว์กันคราวละลหลายๆตัวสัตว์ที่จะนำมาเป็นอาหารเช่นเป็ดไก่หมูและวัวเขาจำได้ว่ากว่าจะจบหลักสูตร ได้ฆ่าสัตว์เหล่านี้ไปเป็นนับร้อยร้อ ย, อยชีวิตโดยการใช้มีดปลายแหลมแทงที่บริเวณคอผลกรรมอันนี้จึงทำให้เขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโชคดีที่เขาไม่ได้นำวิชานี้มาเปิดสอนนักศึกษาในเมืองไทยมิฉะนั้นก็คงก่อกรรมทำเขียนมากกว่านี้ภาพยนต์แห่งอดีตใช้จบลง เขาจึงตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญให้แก่ศัพท์ประทที่ตนเคยฆ่าและคงจะได้ผลเพราะเขาได้ยินชัดเจนเสียงที่ก้องอยู่ในโสงประสาทว่าอโหสิอโหสิอโห ส, โหสิสาธุอนุโมทามิสิ้นเสียงเจ้ากรรมนายเวรอาการปวดแผลาหายวับไปราวกับไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อน จิตของบุรุษสูงวัยรับรู้หมดเวลาของการนั่งแล้วเขาจึงกำหนดเลือมตาเอามือคลำที่ใต้กกหูขวาก็ไม่ปรากฏว่ามีแผลแถมเสื้อผ้าเปียกชื้นก็แห้งสนิทไม่มีกลิ่นชวนให้ขยะขย้งใดๆหลงเหลืออยู่อารามดีใจเขาส่งเสียงเรียกนายสมชายและนายขุนทองดังลั่นกุติสมชายขุนทองมานี่หน่อย นายขุนทองเข้ามาก่อนเพราะอยู่ใกล้ส่วนนายสมชายนั้นเมื่อไม่ได้ทำหน้าที่ฮิ้วบินโตตามหลังท่านพลักครูในเวลาที่ท่านออกบินทบาทจึงถือโอกาสนอนตื่นสายและไม่เคยได้ยินเสียงเรียกของบุรุษวัยหกสิบอาจารย์เรียกหนูเ ห, หะฮะชายหนุ่มถามถูกแล้วช่วยขึ้นไปเรียนหลวงพ่อทราบหน่อยว่าผมมีธุระจะพบด่วนห้า แต่หนูขออนุญาตล้างหน้าแปลงฟันก่อนได้ไหมฮะเขาต่อรองและแล้วก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเห็นท่าทางรีบร้อนของอีกฝ่ายตกลงฮะหนูจะขึ้นไปเรียนเดี๋ยวนี้เขาหายขึ้นไปอึดใจหนึ่งแล้วก็ลงมาลุงลุงบอกให้ขึ้นไปได้เลยฮะอาจารย์ชิดจึงขึ้นไปกราบท่านพระครูสามครั้งอย่างสำนึกในบุญคุณเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ให้เจ้าของกุฏิฟังรู้สึกปีติจนน้ำตาใสๆเออหน่วยทั้งสองอัตมาขออนุโมทนาโยมหมดเวรหมดกรรมแล้วกรรมเก่าใช้หมดแล้วกรรมใหม่ก็อย่าสร้างอีกอัตมาหมายเฉพาะกรรมชั่วนะอย่าไปสร้างอีกถ้าจะสร้างก็ขอให้สร้างกรรมดีเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับ ผมเข็ดแล้วครับหลวงพ่อเข็ดจริงๆไม่นึกเลยว่าเวรกรรมจะให้ผลพันตาเห็นในชาตินี้ผมลืมไปสนิทเลยครับว่าได้ทำกรรมนี้ไว้ก็มันผ่านมาตั้งสามสิบปีแล้วนี่ครับบุรุษสูงวัยว่านั่นสิอย่าว่าแต่สามสิบปีเลยแค่ผ่านไปเมื่อวานบางคนก็ลืมเสียแล้วจริงไหมจริงครับ แต่หลวงพ่อครับผมสงสัยเหลือเกินว่าทําไมแผลจึงหายเร็วนักตอนเริ่มนั่งสมาธิผมก็ยังปวดแทบทนไม่ไหวแต่บวดจะหายก็หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แม้แต่กลิ่นก็ไม่เหลือทําไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับก็อาตมาเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าโรคกรรมนั้นไม่เหมือนกับโรคทั่ ว, วไปถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขายังอาฆาต หมอก็รักษาให้หายไม่ได้แต่พอเข้าโอโหสิโรคก็หายไปเองอย่าไปสงสัยเลยเป็นเรื่องของกรรมวิสัยนะพระพุทธองค์ท่านตรัสห้ามเพราะอาจินไตยเรื่องเนี้อัตมาเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วโยมคงจำได้ครับจำได้ถ้าฉะนั้นผมเห็นจะต้องเลิกนิสัยเพราะเดี๋ยวจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความบ้า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 ปวดก็ต้องทนเอานี่ก็โรกกรมเหมือนกันแต่อาตมาลงวันละครั้งเท่านั้นตอนเย็นก็งดสงน้ำใช้เช็ดตัวแทนอาจารย์ชิดกำลังจะลงมาข้างล่างในสมชายก็เดินออกมาจากห้องพอดีเห็นท่าทางสดชื่นเบิกบานของอีกฝ่ายหนึ่งจึงเอ่ยทักมาหาหลวงพ่อแต่เช้าเลยมีธุระอะไรพิเศษเหรอครับผมหมดเวรหมดกรรมแล้วดูสิ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 เมื่อเห็นเขาพ้นทุกพ้นร้อนงั้นเดี๋ยวคุณล้างหน้าล้างตาแล้วจะได้ไปนำอาหารมาถวายหลวงพ่อขออนุญาตให้ผมไปช่วยยกด้วยนะตอนนี้ผมไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจแล้วคนสูงวัยอาสาอยากทำหน้าที่นี้มานานนับแต่ท่านพระครูได้รับอุบัติเหตุออกบินทบาทไม่ได้แต่เมื่อนึกถึงกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาของตนเอง ก็ต้องงดอดใจไว้หลวงพ่อจะลงเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าครับผมจะได้ช่วยประคองลงไปนายสมชายจึงตอบแทนท่านพระครูว่าคงไม่ต้องมังครับอาจารย์ขนาดผมจะช่วยท่านยังไม่ยอมเลยบอกเดี๋ยวชดใช้กรรมไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องตามใจท่านสิทธวัดอดกระแนะกระแหนเสียไม่ได้เอาละเอาละอย่ามัวพูดมากอยู่เลย จะทำอะไรก็รีบๆไปทำซะฉันจะใช้เวลาตอบจดหมายอีกสักสามฉบับแล้วก็จะลงไปล้างหน้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้ห้องน้ำชายหนุ่มจึงลงมาทำธุระที่ห้องน้ำใต้บันไดาอาจารย์ชิตกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเดินตามลงมาคลันเห็นในขุนทองกำลังเก็บที่นอนให้ตนก็รีบเข้าไปช่วยขอโทษที ผมรีบขึ้นไปหาหลวงพ่อเลยไม่ทันได้เก็บที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์คงมีเรื่องด่วนจะคุยใช่ไหมฮะคนถามอยากรู้ก็ด่วนเหมือนกันแต่เรียบร้อยแล้วผมเพียงจะไปกราบเรียนท่านว่าผมหายแล้วนี่คุณดูสิแผลใต้กกหูข้างขวาผมหายสนิทเลยอาศาจารย์เลอกเกินพูดพร้อมกับเอียง หน้าให้เขาดูตรงที่เคยเป็นแผลอุ้ยจริงๆด้วยแล้วกลิ่นก็หายไปด้วยอาจารย์ไปทำยังไงฮะผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำเป็นเพราะบารมีของท่านแท้ๆ ท, ที่ทำให้ผมหายจากโรคร้ายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะเนี่ยงั้นอีกไม่นานอาจารย์ก็คงกลับไปอยู่บ้านใช่ไหมฮะ นุคงคิดถึงอาจารย์แย่เลยเมื่อพูดถึงบ้านอาจารย์วัยห0สรู้สึกคิดถึงภรรยาและลูกๆขึ้นมาทันทีความกุ่นข้องหมองใจที่เคยมีต่อพวกเขาก็พลันมะลายไปสิน้นผมก็คงคิดถึงที่นี่เหมือนกันโดยเฉพาะหลวงพ่องั้นอาจารย์ก็อย่าเพิ่งกลับสิฮะอยู่อีกสักเดือนสองเดือนชายหนุ่มชวนให้เขาอยู่ต่อ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 จะมีคนมาช่วยงานหลวงลุงห้องน้ำว่างแล้วเชิญอาจารย์เธอฮะเมื่ออาจารย์ชิดหายเข้าไปในห้องน้ำนายขุนทองก็จัดการกวาดถูกุฏิชั้นล่างจนสะอาดสะอ้านส่วนชั้นบนก็เป็นหน้าที่ของสมชายเพราะแบ่งงานกันแล้วขุนทองวันนี้เองไม่ต้องไปช่วยข่ายกําำรับหลวงพ่อนะอาจารย์เขาจะจัดการเองนายสมชาย ลงมาบอกกล่าวดีสิพี่แบบนี้ขุนทองก็สบม อ, อะไรของเองวะสบม อ, อะไรอุ๊ยพี่นี่เฉยเฉยสบมก็ย่อ ม, มาจากสบายมากไงนมวัยยีสเอ็ดเฉลยอาจารย์ชิดออกมาจากห้องน้ำและเช็ดหน้าเช็ดตาแห้งแล้วนายสมชายจึงเอ่ยชวนไปกันหรือยังครับ แล้วขุนทองล่ะบุรุษสูงวัยถามสองคนก็พอฮะหนูจะจัดถ้วยจัดจานขึ้นไปก่อนเขาตอบคนทั้งสองจึงเดินมุ่งหน้าไปยังโรงครัวเพื่อนำพระตะหานมาถวายท่านพระครูหลังอาหารเช้าอาจารย์ชิดและนายสมชายขึ้นไปช่วยงานท่านเจ้าของกุฏิอย่างเคย จดหมายเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละวันและคนที่เขียนมาแล้วก็ล้วนแต่ขอให้ท่านช่วยแก้ปัญหาช่วยดับร้อนผ่อนทุกบางก็พนันนาถึงความคับแค้นใจที่สามีไปมีหญิงอื่นไม่มีซักฉบับเดียวที่ท่านอ่านแล้วจะเกิดความชุ่มชื่นระรื่นจิตด้วยไม่มีใครเขียนมาบอกว่าหนูมีความสุขแล้วหนูรวยแล้ว สามีหนูดีแล้วลูกก็ดีแล้วหนูไม่มีปัญหาใดๆไม่เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนคนอื่นเขาเพราะลูกเขาดีผัวก็ดีคนใช้ก็ดีท่านอยากจะได้รับจดหมายในทำนองนี้บ้างหากก็ไม่มีเลยเพราะถ้าเขามีความสุขกันแล้วเขาก็จะไม่นึกถึงท่านคนที่คิดถึงท่านก็คือคนมีทุกข์คนมีปัญหา พิสุรูปหนึ่งกับคารวะสองคนเพิ่งจะช่วยกันตอบจดหมายไปได้ฉบับเดียวในขุนทองก็ขึ้นมารายงานหลวงลุ ง, ลงฮะท่านรัฐมนตรีมาขอพบฮะรัฐมนตรีไหนละ่ะท่านถามพระวัินี้มีรัฐมนตรีมาหลายคนอดีตรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีปัจจุบันบ้างรัฐมนตรีอนาคตบ้าง โดยเฉพาะประเภทหลังนี้มีมากที่สุดเพราะใครๆก็ฝันอยากจะเป็นรัฐมนตรีกันทั้งนั้นคนที่เคยมาเลี้ยงเพนเมื่อวันที่หลวงลุงไปเผาศพป้าเนยนะฮะล้านชายตอบนายสมชายรีบแย้งว่าไม่ใช่ป้าเนยหรอกคุนทองป้านวลสีตังหากคนชื่อเนอยเป็นลูกสาวเองไปแช่งเขาซะละระวังบาปจะกินหัวเอง อ้าวไงเป็นงั้นไปได้ก็หนูไม่รู้จักตัวเคยได้ยินแต่ชื่อเลยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแม่คนไหนเป็นลูกจะให้ลูกตายก่อนแม่ซะและ้วแต่ความจริงยังอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละยังไม่มีใครตายสัคนสิทวดว่า มีก็ลุกเคยเข้าไงล่ะคราวนี้คนที่แย้งคือท่านพระครูเอาทำไมถึงได้กลับตาลปัดอย่างนั้นล่ะเขาถามในสมชายเห็นหลวงพ่อบอกว่าเป็นเรื่องของกรรมเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรนักรอกเองอยากรู้ไปถามหลวงพ่อเอาเองสิทวัดจัดการโยนกลองไปที่ท่านพระครูมัวเถียงกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวรัฐมนตรีท่านก็คอยแย่ ลงไปเรียนท่านว่าข้าให้ขึ้นมาข้างบนนี้ท่านเจ้าของกุฏิออกคำสั่งนายขุนทองจึงลงมาข้างล่างเพื่อเรียนให้รัฐมนตรีทราบถ้าเช่นนั้นผมจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับเผื่อท่านจะมีอะไรคุยกับหลวงพ่อเป็นพิเศษอาจารย์ชิดพูดอย่างคนมีมารยาทไม่ต้องหลอกโยมท่านเพียงแต่จะมาบอกว่าจะมาเลี้ยงเพลง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงจริงเหรอครับทำไมหลวงพ่อทราบเดี๋ยวโยมก็คอยดูก่อนแล้วกันว่าเหมือนกับที่อาตมาพูดไว้หรือเปล่าพอดีกับรัฐมนตรีเดินมาถึงพร้อมผู้ติดตามซึ่งแต่งเครื่องแบบในตำรวจยศพันเอกคนทั้งสองกราบท่านสามครั้งเจริญพรท่านรัฐมนตรี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 จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงบอกหลานชายหลวงลุงตาฝาดมั้งฮะท่านมากันแค่สองคนเท่านั้นก็หนูเห็นกระตานินาสงสัยจะต้องเปลี่ยนแว่นใหม่แล้วละหาหลวงลุงเนี่ยตาข้าไม่ฝาดล็อกขุนทองไปชงกาแฟมาอีกถ้วยหนึ่งและไปบอกตุ๊กตาที่นั่งอยู่ในรถของท่านรัฐมนตรีมาที่นี่หลวงพ่อบอกให้เชิญมาดื่มกาแฟก่อน รัฐมนตรีสบตากับผู้ติดตามและต่างก็ทำหน้างงงวยก็อุสาซ่อนแม่หนูคนนั้นไว้ในรถเบนซ์มีม่านลูกไม้ปิดบังกระจกอย่างมิดชิดเหตุฉะไหนท่านจึงมองเห็นมีหนำซ้ำรถยังจอดอยู่ลานวัดโน่นทำไมหลวงพ่อทราบล่ะครับรัฐมนตรีและผู้ติดตามถามขึ้นพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ทำไมอาตมาจะไม่ทราบละ่ะท่านพลักครูถามยอกย้อนเด็กของผู้กำกับเขารัฐมนตรีรีบโยนความผิดให้กับคนที่ขับรถให้ฝ่ายนั้นโยนกลับอย่างแยบยนได้การตอบว่าครับเด็กของผมเองผมเป็นคนเลือกสรรมาให้ท่านและท่านก็โปรโดปรานมากเลยครับเป็นวาสนาของเด็ก ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอายุเท่าไราท่านเจ้าของกุฏิถามห1อดครับแล้วแม่หนูคนนั้นละ่ะพันตำรวจเอกรีบตอบแทนเจ้านายสิหครับอายุเท่ากันนะครับหลวงพ่อเพียงแต่ตัวเลขสับที่ ก, กันหกอดกับ16คนตอบหวังในใจเพียงแต่ตัวเลขสับกันหกอดกับ16คนตอบหวังเอาใจเจ้านายแบบนี้ ถ้าจะว่าเป็นลูกสาวก็คงอ่อนไปเป็นหลานสาวกำลังพอเหมาะท่านเล่นข้ามสองรุ่นเลยนะท่านพระครูสัพยอกโท่หลวงพ่อครับผมเป็นคนไม่ชอบขัดใจใครเขาให้อะไรมาก็ต้องรับไว้หมดถ้าหลวงพ่อจะว่าก็ต้องว่าผู้กำกับเขานะครับเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันว่าแต่ว่าที่มาเนี่ยมีธุระอะไรกับอาตมาหรือเปล่ามีครับ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 คงจะอับอายขายหน้าเป็นเมียคนอายุคราวปู่คราวตาเป็นเมียลับๆเสียด้วยงั้นผมต้องกลาบลาละครับรัฐมนตรีเอ่ยลาเพราะห่วงว่าสาวน้อยจะรอนานนายขุนทองตามไปส่งถึงรถไม่ได้คิดจะประจบประแจงรัฐมนตรีแต่เพราะติดใจในความงามของสาวแรกรุ่นนมวัยยีอตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณ ชาติหน้าฟ้าใหม่ขอให้ขุนทองสวยอย่างนี้บ้างเถิดคนสมัยนี้เขาให้ของกำนันกันแปลกๆนิยมนะท่านพระครูพูดกับนายชิดหลังจากรัฐมนตรีและผู้ติดตามลงไปแล้วครับและพวกข้าราชการสมัยนี้ก็เอาใจเจ้านายกันเก่งเลือกเกินบางคนรู้กระทั่งวันเกิดของเมียน้อยนายแต่ของเมียตัวเองกลับไม่รู้ อย่างนี้ละมังอัตมาถึงได้ยินเขาแปลงกลอนของสุนทรผู้ให้เขากับยุคสมัยสุนทรผู้ท่านแต่งไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเขาก็มาแปลงเสื้อใหม่เป็นรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้เลียขาเลียแข้งตำแหน่งดีตันเจ้าของกุฏิพูดยิ้มยิ้ม